พอน้อมน้อมต่อคุณพระัตนไตรครูกาพยอาจารย์ทรงศิลป์เพื่อนสัตธรรมิวท่านจเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านนั่งสบายๆเนา ะ, ะการปฏริบัติธรรมเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาดีเนาะไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่จะให้จิตสงบนะหรือว่าต้องไม่มีกิเลส ต, ตัณหาไม่มีความโลภความโกรธความหลงใดๆเนาะ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนที่ปฏิบัติธรรมมาเป็นระยะเวลาหลายๆปีแล้วนะแต่ว่าก็ยังมีความทุกข์อยู่นะยังรู้สึกว่าเราปฏิบัติแล้วเราไม่ก้าวหน้าใดๆนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเราจะแปลดีนั่นเองนะให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการนะให้เขาจิตสงบนะให้เขาไม่มีความโลภความโกรธความหลงนะแต่จริงๆแล้วเราทำได้ไหม เราก็ทําไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่อาจจะบังคับเขาได้หรอกการบัติธรร ท, ที่แท้จริงก็คือการที่เราตามรู้กายตามรู้ใจตามความเป็นจริงนะคือการรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องดีนะอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้แต่ว่าขณะนั้นคือความจริงของเขาที่แสดงออกในขณะนี้ไหมนะพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตัดไว้แล้วในสถิปติฐานสูตรนะในกายานุปัสสนาสถิปติฐานบอกว่า ให้เรา <c oughs> ยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้เดินนั่งก็รู้นั่งนอนก็รู้นอน น, อนะก็คือให้เรากลับมารู้ตามความเป็นจริงในขณะนี้นั่นแหละนะไม่ใช่ว่าอ่าเป็นสิ่งที่ว่าลึกลับหรือว่าเป็นสิ่งที่แปล ก, ปลกหรือเป็นสิ่งที่มันมหาศา์ อ, อะไรนะกลับมารู้ในขณะปัจจุบันนี้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะแล้วทรงก็ตัดตอบต่ออ่าตัดต่อไปว่าอ่าเลี้ยวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังะ ขมเงยคู่แขนเหยียดแขนดื่มกินพูดคิดนะทรงจีวรสังฆาติอุจละปัสสวะก็ให้รู้เท่าทันในขณะนั้นว่ากําลังทําอะไรอยู่นะอันนี้สังเกตให้ดีว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราทางนั้นเลยนะไม่ได้ว่าต้องไปทําอะไรที่เป็นเป็นเรื่องที่ว่าไปดัดแปลงนะไปทําอะไรให้เขาดีแปลกๆทั้งหลายอันะ้รไม่ใช่อนะเราเพียงจะกลับมารู้ในขณะปัจจุบันนี้เท่านั้นเองว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะ เท่ <clears throat> ขนขณะนี้เรานั่งอยู่เนี่ยเรารู้ไม่ว่าเรานั่งใช่ไหมบางคนบอกว่ารออู้ว่าเรานั่งนะแต่ว่าถ้าก่อนที่จะถามเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราไม่ไม่ค่อยจะรู้หรอกว่าเรา ก, การำลังทําอะไรอยู่นะเราก็จะไหลเข้าไปในลมต่างๆนะหรือไม่เรากํกาลังยกมือสร้างยังหวะนี้นะเราก็รู้ไหมว่ากํกาลังสร้างยังหว่าใช่ไหมสิ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องกลับมารู้ความจริงนะถ้าไม่รู้ความจริงในตรงนี้เราก็จะไหลไปในรมต่างๆ ถึงว่าเรากลับมารู้ขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่ได้ไหมแล้วการที่รู้ในปัจจุบันนี้มันก็ไม่ได้อาศัยความคิดน ะ, ะเช่นเรานั่ง <c oughs> เราก็ไม่ต้องคิดว่าเรากําลังนั่งนะเพราะมันเป็นขณะปัจจุบันนี้เรารู้ว่าเราแค่รู้เท่านั้นเองว่าเรากำลังนั่งเราไม่ต้องอาศัยความคิดหรือเรายกมือเราก็ไม่ได้อาศัยความคิดว่ากำลังยกมือแต่ก็เป็นแค่ความรู้เท่านั้นเองนะแต่ถ้าเราเมื่อวานนี้นะเราเล่าประทานอาหารกับอะไร นะเราต้องไปคิดแล้วใชหนะ่หรือเย็นนี้เราจะจะทำอะไรเนี่ยเราต้องไปคิดแล้วนะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ปัจจุบันขณะนะแต่ปัจจุบันขณะเป็นสิ่งที่เราออกจากความคิดนะมาเป็นตัวรู้เฉยๆเท่านั้นเองนะแต่ในขณะที่เรารู้ว่าเรากาลังนั่งหรือเรากาลังยกมือนี้นะประเดี๋ยวก็แวบเอาไปคิดนะคิดกับที่บ้านนะที่บ้านกาลังทาอะไรอยู่ใช่ ตรงนี้เราก็ไหลเข้าไปในความคิดคือมันหลุดออกไปอีกแล้วแต่ถ้าขณะนั้นเรารู้ทันออขณะนี้กำลังคิดแล้วนะอันนี้ก็เป็นปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็ถือว่าเราก็มีสติสามารถอยู่กับปัจจุบันได้อีกครั้งหนึ่งนะหรือเราอาจจะตาเห็นรูปเห็นพระนั่งอยู่เราก็ไหลไปที่พระหลุดจากตัวปัจจุบันนี้ไปอยู่ที่พระ อันนี้มันก็หลงไปแล้วนะแต่เรารู้ว่าขณะนี้กําลังมองผ้าอยู่อันนี้ก็เป็นปัจจุบันในขณะนั้นอันนี้ก็ชื่อว่าเราไม่หลงแล้วนะหรือหูเราได้ยินเสียงนะอาจจะมีเสียงรถยนต์วิ่งเสียงคนคุยกันเราก็ไหลไปในเสียงนั้นนะมันหลุดนะจากการที่เรากําลังปฏิบัติเดินโจงกรมบ้าง <c oughs> สร้างยังหวาบ้างหลุดไปนะแต่ถ้าเรารู้ว่าขณะนั้นนะเราไปฟังเสียงนะอันนี้ก็ไม่หลุดนะคือปัจจุบันธรรม เพราะนั้นปบันธรรมก็คือสิ่งใดที่เกิดขึ้นในขณะนี้ถ้าเรารู้นะมันก็คือเป็นตัวรู้นะมันไม่ใช่เป็นตัวหลงแต่ถ้ามันหลุดจากปัจจุบันไปนะแล้วเรารู้ไม่ทันนะั่นแหละคือตัวหลงแล้วก็สังเกตให้ดีมันเป็นการที่เรียกว่าเราไม่ได้อาศัยความคิดแต่ว่าเป็นแค่รู้เท่านั้นเองนะเ ป, นเป็นลักษณะที่เรารู้เฉยรู้โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาไม่ต้องไปแทรกแซงอะไรกับเขา มันก <necessary. S 2> ็ท like, an ี่หลวงมาเทียนบอกว่าให้เห็นความคิดแต่ว่าไม่เข้าไปในความคิดแล้วก็ไม่ห้ามความคิดนั้นมันจะเป็นแค่รู้เฉยเฉยเท่านั้นเองต่อมาพระเจ้าก็ทรงบอกอีกว่าจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะก็รู้มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีราคะก็รู้ไม่มีราคะจิตไม่มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะจิตไม่มีโมหะก็รู้ไม่มีโมหะเป็นต้นนะ ก็คือจิตมีอาการอย่างไรนะเราก็รู้ไปตามอาการอย่างนั้นนะไม่ต้องไปแทรกแซงเขาไม่ต้องไปแทรกแซงเรามีความโกรธนะเราก็ไปละความโกรธอันนี้ก็เป็นการแทรกแซงนะแต่ผู้เจ้าให้เราแค่รู้เท่านั้นเองว่าขณะนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นมาในใจของเราเราก็รู้ไปตามความเป็นจริงไปนะอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะแค่รู้เฉยๆเท่านั้นเองนะเราก็ไม่ต้องไป บังคับควบคุมให้เขาดีนะถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราจะรู้สึกว่าเออที่เราปฏิบัติเมื่อก่อนอาจจะเคยผันผ่านมาเราจะปพยายามควบคุมเขาให้เขาดีตามเราต้องการนะจะแปลดีนั่นแหละตรงนี้มันเป็นการบังคับเขาเรียกว่าเป็นสมถนะเนาะเพราะการปฏิบัติท้ายจริงก็คือให้เรารู้ไปตามความเป็นจริงไม่ใช่เขาเป็นไปตามที่เราต้องการเนาะ เมื่อไรที่เราต้องการให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการนั่นแหละมันจะเป็นความทุกขนะ์เพราะเราจะบังคับเขาไม่ได้หรอกจิตเขาก็ทางานของเขาเช่นนั้น เ, เป็นเช่นนั้นของเขาเองนะแม้แต่เราจะให้เขาหยุดคิดสัก5นาทีก็ยังไม่ได้เลยนะหรือเรายังไม่รู้เลยว่านาทีข้างหน้าเขาจะคิดอะไรนะเพราะฉะนั้นกายและใจเนี่ยเรามีหน้าที่ตามรู้เขาเท่านั้นเองเราไม่อาจจะไปบังคับบัญชาอะไรก็ได้ทั้งสิ้นนะ ถ้าเราตามรู้ไปตามความจริงแล้วก็จะแสดงมาใจลักเราเห็นนะในความไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์เป็นอ น, นตานนี่แหละนี่คือความจริงนี่คือสัจธรรมที่เขาแสดงออกมานะตรงนี้อยู่ที่ว่าเราสามารถมองเห็นตรงนี้ได้ไหมเนะพราะการมาทมทั้งหมดมันก็คือเข้าสู่ความจริงในตรงนี้เท่านั้นเองว้าให้เราเห็นว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะเมื่อเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เขาก็จึงนะแสดงความทุกข์ ก็คือการที่เข้าทนในสภาวะเดิมไม่ได้นะเช่นเราก็ทนในสภาพเดิมไม่ได้นะบ า, บางท่านก็รู้สึกอยากจะขยับแข้งขยับขาปุจจละปั ส, สวะมีความหิวมีความง่วงนอนมีความร้อนความหนาวต่างๆเราเนี่ยมันทนในสภาพเดิมไม่ได้นะนี่แหละคือความทุกข์หลังจากนั้นเมื่อทนในสภาพเดิมไม่ได้ขเขาก็มีความเปลี่ยนแปลงมีความไม่เที่ยงเราเห็นตรงนี้คือหลักความจริง ที่เขาแสดงออกมานะตรงเนี้ยถ้าเราเข้าใจในตรงนี้แล้วนะเราจะเข้าใจว่าทุกอย่างนะมันบังคับบัญชาไม่ได้จริงๆเมื่อบังคับบัญชาเขาไม่ได้ก็จึงไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานะนี่ก็นี่แหละคือเป็นหนทางแห่งพระนิพพานนะเมื่อกี้เมื่อกี้เราก็สวดมนต์บ้างสัพเพสร้างฆ่ารานิจจติยะธ า, าปัญญายาปสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง ฐานนิพินธติทุกเคเอสามะโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่ยหนในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพันิพานอันเป็นธรรมหมดจดเ น, นี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมที่เห็นกายเห็นใจนี่แหละเมื่อเราเห็นไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าสิ่งเราเนี่ยเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่เข้ามาแล้วก็ไปเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เลยน ะ, ะเราเราจะเดินทั้งวันก็ไม่ได้ใช่ไหม เราจะยืนทั้งวันก็ไม่ได้อาจจะนั่งทั้งวันก็ไม่ได้หรือแม้แต่จะนอนทั้งวันก็ไม่ได้นะมันจึงมีแต่ความเปลี่ยนแปลงทั้งวันในทางกายนี่เราสังเกตได้นะเราบังคับก็ไม่ได้จริงๆหรือแม้แต่ในสลีละร่างกายเราจริงๆนะเราจะไม่ให้เขาแก่ไม่เขาเจ็บไม่เขาตายก็ไม่ได้ใช่ไมไม่ให้ผมงอกนะไม่ให้หูตึงไม่ให้ตาฟางไม่ให้หนังหย่อนเนี่ยเราก็บังคับก็ไม่ได้ทั้งหมดใช่ นี่นี่คือหลักความจริงที่เรากลับมาเห็นในตรงเนี้ยวันวันหนึน่งมันก็เป็นแค่นี้เท่านั้นเองนะมีแต่การเป็นแปลงมีแต่การเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของสังขารของรีบดทั้งหลายแลนะในสภาวะตรงเนี้ยถ้าเรากลับมาเห็นแล้วเราก็จะรู้ว่าเราไปบัตธรรมเพื่อหเห็นเรานี้จริงๆนะเพราะเมื่อก่อนเราจะหลงไปเราจะไม่เห็นในสิ่งเ่านี้ แต่เมื่อเรามีสติตั้งมั่นเราจะเริ่มเห็นอานะรมณ์ต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปทั้งวันนะบางทีเราปฏิบัตินี้นะเมื่อวานเรารู้สึกว่ามันก็ดีนะมีสติดนะีมีความรู้สึกตัวดีอนะแต่พอมาวันนี้มันทําไมไม่ค่อยรู้สึกตัวสติก็หายไปนะมีแต่ความคิดมากมายเนี่ยก็แสดงความจริงแล้วนะในความไม่เที่ยงนี่แหละอยู่ที่ว่าเราจะเห็นเขาไหมนะ แต่ถ้าเราจะแปลวาดีเราก็ว่าเออเราก็มีความทุกข์เมื่อวานมันดีวันนี้เราไม่ดีวันนี้จิตเราตกแล้วเราแย่แล้วนะเราก็จะมีความทุกข์แต่จริงๆแล้วเขาแสดงความจริงพระไตรลักษณ์เราเห็นต่างหากล่ะใช่ไหมถ้าเราเข้าใจเราก็จะรู้ว่าอ๋อเขาแสดงพระไตรลักษณ์เราเห็นถึงความไม่เที่ยงนั่นเองนะเพราะเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บจิตล้วก็คลายทันทีนะวันเราบังคับก็ไม่ได้หรอกเราก็มีหน้าที่รู้ไปตามความเป็นจริงนะจิตเราจะรู้สึกปริบธรรมแล้วมีความสบาย เราไม่มีความทุกข์ว่าเออมันฏปะบัติแล้วมันไม่ดีนะเพราะเราไม่ได้แปลวดีกับเขานะจริงจริงเราไม่ได้แปลว์ดีกับเขาแต่ผู้ใดจะแปลดีนั่นแหะก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาแล้วนะแต่ให้เรารู้ความจริงไปแต่ละขณะแต่ละขณะนั้นนะเราเดินจงกรมมาชั่วโมงหนึ่งเราก็รู้สึกปวดเมื่อยเนาะนะี่มันก็เป็นการที่เราเราก็มีความทุกข์ในตรงนั้นนะเราเห็นความทุกข์ไหมนะแล้วเราก็แก้ทุกข์นะกลับมานั่งนะไปบัติธรรม การเจริญสติสร้างยังหวะมันก็เป็นการเปลี่ยนเพื่อแก้ทุกข์เนาะอุจจรปัสาวะเข้าห้องน้ํามันก็แก้ทุกข์กันทั้งบันอยู่แล้วนะรับประทานอาหารมันแก้ทุกข์ทั้งนั้นนะตรงนี้เราเห็นไหมว่าเออนี่แหละมันเป็นความทุกข์ไม่ใช่ทําอะไรด้วยด้วยใจที่เรียกว่าไม่รู้ทันมันก็กลายเป็นความหลงนะมันที่หลวพ่อของเขียนบอกว่าอ่าจะเปลี่ยนนั่งอยู่จะเปลี่ยนไปเดินไม่ใช่ตามใจเขานะให้เราดู นะว่ามันเปลี่ยนไปเพราะอะไรนะอันนี้เราก็จะได้เห็นว่าจริงๆมันเปลี่ยนเพื่อแก้ทุกข์ไม่ใช่าทำ ต, ตามใจกิเลสเนะพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เราก็จะทำทำด้วยความตามใจกิเลส ท, นะทำด้วยความเคยชินเนาะเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนจากความเคยชินมาให้กลับมารู้นั่นเองเนาะอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกว่าออยืนเดินนั่งนอนลืมกินพูดคิดทั้งหลายอันนี้จริงๆเราทาทาด้วยความเคยชินดังนั้นนะ เราแปลงฟันก็แปลงด้วยความเคยชินนะเราไม่รู้ว่าขณะนี้กําลังแปลงฟันหลอกนะแต่แปลงไปด้วยความอัตโนมัตินะพระวิจาให้กลับมารู้ขณะแปลงฟันก็ให้รู้ว่าแปลงฟันนะนี่แหละก็คือเปลี่ยนจากความเคยชินมาเป็นตัวรู้แทนนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันแค่เป็นอ e ีบทในชีน่ิประจำวันเราทำเท่านั้นเองเราขับเปลี่ยนจากหลงมาเป็นรู้นะรู้โดยรู้แบบไม่ไปอเอาดีนะไม่ไปแทรกแซง รู้ตามความเป็นจริงถึงไม่ดีก็ไม่เป็นไรดีหรือไม่ดีนั่นเขาแสดงความเป็นจริงแล้วเราเพียงแค่ยอมรับเข้าไปเท่านั้นเองนะเราก็จะไม่ทุกข์กับการปฏิบัติธรรมหรือชีวิตประจำวันของเราแต่เราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นมาตไตรักณนี่แหละตรงนี้มันสำคัญกว่าเราจะแปลวาดีกับเขาน ะ, ะเพราะว่าเราจะแปลวาดีนะบางคนเคยมามาบอกว่า รู้สึกว่ามีความทุกข์มากปฏิบัติธรรมมาต้องนานแล้วทําไมยังมีความโกรธอยู่นะเนี่ยเพราะว่าเขาไม่เข้าใจในตรงนี้ว่าความโกรธนั้นเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เขาเกิดขึ้นมาเองเราไม่อยากให้เกิดนะนะไม่มีใครอยากจะโกรธหรอกยิ่งนักปฏิบัติไม่ไม่มีใครอยากโกรธนะแต่ว่าเขาเกิดขึ้นมาเองนะเมื่อเขาเกิดขึ้นมาเองเราก็แค่รู้ความจริงว่าอ่านี่แหละคือความโกรธ ความโกรธนั้นนะไม่ใช่ตัวเมยตนไมย์สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเขาเกิดมาแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวเมยตนของเราะเพราะเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะนี่นี่คือความจริงต่างหากล่ะใช่ไหมแต่เราไปคอยบังคับว่าต้องดีนะต้องไม่ลบไม่โกรธไม่หลงนะนี่เราไม่เข้าใจความจริงแล้วนะเพราะพระเจ้าได้ทรงตัดไปแล้วว่ารูปเวนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเที่ยงหรือไม่เที่ยงอถามพระบิกษุนะไม่เที่ยงไม่จ้าค่า สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนไปเป็นธรรมดาควรเลือตามคิดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ควรตามคิดเช่นนั้นพระเจ้าข้าและหลังนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยทรงแยกแยะว่าขันห้ามีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตาอย่างไรหลังจากนั้นพระภิกษุก็อาบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด ตรงนี้ก็ได้แสดงว่าชัดเจนว่า อ, อรูปก็คือกายเวรนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือจิตใจนี่แหล ะ, ะมันไม่ตัวไม่เทตนนะเพราะนั้นเราจะแ บ, บ่งมาบังคับบัญชาก็ไม่ได้เขาจึงเป็นสภาวะหนึ่งที่เขาทํางานได้เองนะก็คือใจนี่แหละเขาทํางานได้เองอยู่แล้วนะคือร่างกายเราจะพอจะรู้รู้ว่า เ, ออเขาไม่ใช่ของเรานะเพราะว่าเมื่อเขาตายก็ ต, กต้องไปเผาไปฝังไปแต่จิตใจก็ยังเข้าใจเป็นเราอยู่ เพราะนั้นสิ่งใดที่เกิดจากจิตใจนะคืออาการของจิตเช่นความโลภความโกรธความหลงเราก็ไปหลงยึดว่านั่นแหละคือเราเราโลภเราโกรธเราหลงอันนี้คือความเข้าใจผิดนะแต่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้แล้วว่าจิตใจไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราเพราะฉะนั้นอาการที่เกิดจากใจจึงไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราด้วยไม่ใช่ของเราด้วยเพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงก็คือเป็นสภาพวัธรรมอย่างหนึ่งนะเป็นธรรมชาติของใจเป็นความปรุงแต่งอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นสังขาร ใ น, นสีญญส่อย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยก็คือเป็นสังขารอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะมันไม่ใช่ของเรานะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะรู้ว่าเออสิ่งเหล่านี้มันมันเกิดขึ้นมาเองนะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยในปฏิจจสมุปบาทนะนะก็คื อ, อเดี๋ยวตรงตรงไล่นิดนึงว่ามันเป็นยังไงเอาสั้นๆ น, นะก็คือเมื่อตาเห็นรูปปุ๊บมันจะเกิดเวทนานะเกิดเวทนาคือชอบใจไม่ชอบใจนะหรือว่าเฉย เมื่อเกิดชอบใจก็เกิดตัณหาตามมาคือความอธยิยานอยากหลังนั้นก็เกิดอุปทานความยึดติดนะอุปทานก็จะเป็นเหตุให้เกิดพบเกิดชาติต่อไปนะเพราะฉะนั้นการที่ตาเห็นรูปเป็นต้นก็เกิดเวทนานี่ก็คือเป็นไปตามหลักของปฏิจจะทั้งนั้นเองก็คือมาตามกระบวนการของจิตใจแต่เมื่อเห็นแล้วนะว่ามันชอบใจหรือไม่ชอบใจหรือมันโกรธนะตรงนี้ก็คือเราก็รู้เฉยๆเท่านั้นเองเราก็ไม่ไปปรุงแต่งให้เป็นตัณหาต่อไป นะมันก็จะดับในตรงนี้ว่าเราไปดับตัณหาไม่ใช่ไปดับเวทนานะะเวทนาเราดับไม่ได้หรอกเพราะเป็นเรื่องของอญญายรนะที่กระทบรูปเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็เห็นกระบวนการของจิตใจว่านี่แหละมันเป็นไปตามกระบวนการนะของปฏิจจส ม, มุปบาทนะแต่เราก็ไม่จำเป็นนึกขนาดนั้นหรอกใช่ไหมเราก็เลือแค่รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะมันเกิดขึ้นเป็นธรรมด า, าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เขาก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่ตัวไม่ตนของเรานะว่าเราก็จะเข้าใจต่อมานะ ว่าความโกรธนั่นเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะไม่ใช่ตัวไม่ตนเราก็ก็ดับไปนะจากการที่เราเห็นเขาบ่อยๆอย่างเช่นนี้นะอเราก็จะรู้เลยว่าสภาวะธรรมลุกอย่างนะมันเกิดแล้วกระดับทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงหรืออรมอะไรทั้งหลายแหล่มันไม่ใช่ตัวเราจริงๆนะอถ้ามันเป็นของเรานะ่ความโกรธเป็นเราก็ต้องอยู่กับ เ, เราตลอดกาลนานใช่ไหมแต่เมื่อเขาเกิดขึ้นแล้วเราไม่ให้ค่าไม่ให้ค่าก็คือไม่สนใจ ไม่เกี่ยวข้องด้วยแต่ไม่ต้องไปผักไสนะเขาไม่ให้ค่าก็คือเราแค่รู้เฉยรู้ซึกอๆนั่นะแหละอย่างที่ครูบาอาจารย์ว่าเราก็เห็นว่าเขาก็ผ่านไปเขาก็ดับไปนะบางทีการรู้เฉยๆนี่กลับทำให้เขาดับเร็วแต่เราไปแทรกแทงโดยวิธีการใดๆนั่นคือการให้ค่าเขา้งเข้าทั้งหมดเขาก็จะอยู่กับเรานานนะเขไม่ดับง่ายๆเพราะเราไปกดข่มเขานะกดข่มเนี่ยเป็นการบังคับแล้วก็จะอยู่กับเรานานนะแต่ถ้าเราไม่ให้ค่าเขาก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะ จากตรงนี้จิตจะเริ่มชำนาญในการไม่ให้ค่ามากขึ้นเพราะเราจะไปหลีกเรื่องอารมณ์ไม่ได้นะเราอยู่ในทางโลกเราไม่ได้อยู่ในป่าในเขาเราจะก็จะทบกระทบอารมณ์อยู่ทั้งวันประเดี๋ยวรักประเดี๋ยวชงังประเดี๋ยวกดประเดี๋ยวพอใจประเดี๋ยวไม่พอใจประเดี๋ยวอิจฉาประเดี๋ยวน้อยใจประเดี๋ยวเครียดอารมณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วนะพแต่รเราเมื่อรู้ทันแล้วเราก็รู้เฉยๆรู้ซื่อๆเราไม่ให้ค่ากับเขาเทั้งนั้นเองเขาก็จะจากไปอย่างรวดเร็ว นะตรงนี้เมื่อเราเห็นบ่อยๆเราจะรู้ว่าออสิ่งเหล่านี้นะมัน ม, มีแต่ของไม่ที่มีแต่ขอไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้นะในสุดเมื่อเข้าเข้าใจตรงนี้เขาก็จะเกิดการปล่อยการวางการม่ยึดติดนะการมาทําทั้งหมดมันไม่ได้เป็นการจะไปเอาอะไรกับเขานะไม่ได้เอาดีอะไรทั้งสิน้นะแต่เป็นการรู้เท่าทันแล้วในสุดจิตใจเขาจะเริ่มการปล่อยการวางการไม่ยึดติด การไม่อะไรกับอะไรในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะจิตก็จะเริ่มคลายออกนะคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายนะเมื่อเกิดการคลายออกนะเราจะสังเกตได้เลยว่าเราจะเป็นผู้ดูเฉยๆเนาะตรงเนี้ยที่เรมามักคำเขีนบอกว่าเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะเมื่อจิตใจเริ่มคลายออกบ้างแล้วนะมันจะเริ่มสังเกตเห็นความคิดได้ชัดเจนนะเห็นความคิดที่เข้ามาเข้าไปเราก็แค่รู้เท่านั้นเองเห็นอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะความรักความชัง จากเมื่อก่อนที่เราเข้าไปเป็นผู้แสดงนะเป็นผู้โกรธเป็นผู้รักเป็นผู้ชังหรือเป็นผู้เข้าไปแสดงละครนะเราก็จะกลายเป็นผู้ดูไปนะผู้ดูดูความโกรธความรักความชังเห็นเข้ามาแล้วก็ไปอันนี้นะมันมันจะเข้าสู่การเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นแล้วมันก็เป็นการเห็นเฉยๆการรู้เฉยๆการรู้ซื่อในตรงนี้นะตรงนี้ความทุกข์ก็จะ เบาลงไปนะมันหายไปเยอะมากเลยนะจนเมื่อใดที่เราเข้าใจในสภาวะความเป็นจริงนะถึงความเป็ น, ปนอนัตตาในความไม่ตัวไม่ตนเนี่ยมันจะเป็นการถอดถอนอความยึดมั่นของเราได้เกือบทั้งหมดนะก็คือมันจะละสะกัยฤทธิในตรงนี้ได้เราก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่าไม่ใช่ตัวไม่ตนก็คือไม่ได้เป็นอะไรกับอะไรเพราะนั้นเราจะเป็นอะไรก็ได้นะจะเป็นพระเป็นโยมเป็นผู้หญิงผู้ชายนะ เป็นคนดีคนชั่วมันไม่มีความหมายนะมันไม่ใช่เป็นอะไรกับอะไรแล้วมันจึงอยู่ในภาวะที่ว่ามันไม่อะไรกับอะไรก็คืออะไรก็ได้ก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านีน้อันนี้มันก็จะเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นที่เราสวดในตอนหลังที่ว่าสัพเพธรรมาอนตติยธาปัญญายปัสติเมื่อผู้ใดเห็นธรรมทั้งหลายเมื่อผู้ใดเห็นธรรมทั้งหลายด้วยปัญญาว่า เป็นนาตาอาถานิพินทติทุเคเอสามะคูวิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเนยน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งผลิพานอันเป็นธรรมบนจดน ะ, ะคำว่าผู้ใดเห็นธรรมทั้งหลายก็คือธรรมสภาวะธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วมาไม่ว่าจะเป็นเกิดขึ้นทางกายหรือทั้งใจก็ดีเห็นด้วยปัญญาว่านั่นแหล ะ, ะเป็นเล่นจังทุกนงตาเมื่อนั้นแหละเราก็ย่อมเกิดความเบือ่อหน่ายเกิดการไม่ยึดติด เกิดการปล่อยการวางในสภาวะตัวตนเหล่านี้นั่นแหละเป็นทางแห่งพันิพาัณฑ์เป็นธรรมหมดจดเพราะว่าการที่ความทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นนั้นเกิดจากตัวตนเราเนี่ยเป็นหลักเมื่อมีตัวตนขึ้นมาแล้วมันก็จะมีของเรามีของมีสิ่งต่างๆเป็นของเราด้วยเป็นความยึดติดมีลูกมีสามีมีภรรยามีทรัพย์สินต่างมีชื่อเสียงเกียรติยศมีหน้าตาตามมาเป็นแถวนะ แล้วเราก็ไปยึดติดในสิ่งเหล่านั้นนะเมื่อมันมีการกระทบะในตัวเราหรือของของเราเราก็จะมีการกระเทือนนะมีการกระเพื่อมหงใจนะมีการกระทบและกระเทือนยิ่งตัวเรายิ่งโตนะมันจะยิ่งกระเทือนหนักนะมันจะรู้สึกว่าตัวเรานี้น ะ, ะมีถูกกระทบหนักนะคนเราเคยมีมียศมีตำแหน่งเดินไปมีหลายคนไหว้นะ แต่พอวันต่อมาเขาไม่ว่ายเราก็เริ่มคิดแล้วเออทาไมไม่ว่ายเขาไม่เคารพเราหรืออย่างไรนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการไหายไม่ว่ายนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าเช่นนั้นนะแต่ว่าเมื่อเราไปคิดถึงความเป็นตัวตนแล้วอะไรนิดหน่อยเราก็จะมากระทบตัวตนทันทีนะเนี่ยความเป็นตัวตนมันอยู่ตรงนี้นะมันชัดเจนมากนะชีวิตในประจวบ evet. ันเราจะมีตัวตนต่างๆเยอะมากเราจะมีส่วนได้เสียต่างๆเยอะมากตรงนี้เราสังเกตได้ไหมนะ แต่เมื่อเราเข้าใจในตรงนี้ปั๊บเราจะเริ่มสังเกตเห็นแล้วเออขณะนี้ตัวตนเราเกิดขึ้นแล้วนะมันจะมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นเรื่องนี้เราอิ living, าจฉาใครจนเริ่มเห็นแล้วเออตอนนี้ตัวตนเราเกิดขึ้นแล้วนะอ่าหรือเราไม่พอใจสิ่งใดเราจะเห็นแล้วเออตรงนี้ตัวตนเราเกิดขึ้นนะเพราะมันมีมีตัวเราที่ว่าไปรองรับในตรงนั้นนะ Ka <มา S 2> เหมือนกับมีกระจกอยู่แผ่นหนึ่งนะอ่าก็มีการเอาหินปลาไปที่กระจกมันก็จะเริ่มลาวเริ่มแตก นั่นแหละเปลี่ยนตัวมันเป็นตัวตนเรานะเมื่อมีการกระทบเกิดขึ้นมันก็จะเริ่มล้าเริ่มแตกแต่ถ้าเป็นการปลาหินไปในอากาศเปล่าๆนะมันจะไม่มีรอยล้าไม่มีการแตกถ้าหากว่าเราไม่มีตัวตนไปรับในตรงนั้นมันก็จะไม่มีการล้าการแตกชั้นใดนะจิตที่มีการปล่อยกันวางการไม่ยึดติดการไม่ยึดมั่นถึงมาในตัวตนแล้วก็เหมือนกับอากาศที่ว่างเปล่านะเมื่อมีสิ่งใดมากระทบมันก็จะไม่เกิดการกระเทือน ไม่มีการกระเพื่มขึ้นมาเพราะว่าจิตนั้นมันเป็นสภาวะที่ว่ามันเข้าใจในภาวะธรรมที่ว่าทุกอย่างนะมันเป็นไปนตามเหตุตามปัจจัยนะมันไม่ได้ไปยึดถือว่าเป็นตัวเราแล้วเพราะนั้นมันจึงไม่ได้ว่ามีตัวเราเป็นผู้โกรธเป็นผู้รักผู้ชังเป็นผู้ได้ผู้เสียเป็นผู้ที่ว่าต้องสูญเสียนความโยชน์ใดๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนะจิตมันก็จะเกิดสภาวะที่ว่า สบายนะมีความปล่อยวางมีการไม่ยึดติดนี่แหละเป็นสภาวะธรรมที่จิตออกจากความทุกข์ได้นะเพราะฉะนั้นการบัตรธรรมไม่ว่าต้องไม่ต้องไปหวังว่าต้องถึงพระนิพพานแต่ว่าฏปบัติแล้วจิตนะออกจากความทุกข์ได้ไหมนะความทุกข์เบาลงไปไหมนะความทุกข์น้อยลงไปไหมนะความโลภความโกรธความหลง เ, เรารู้ทันไหมนะแล้วเขาก็เบาลงไปไหม ตรงนี้เราสามารถสังเกตได้นะแต่ถ้าบาดแล้วตรงกันข้ามนะมีแต่ความหนักมีแต่ความยึดติดนะมีความโกรธมากขึ้นอันนี้ก็ต้องสังเกตดูว่าถ้าเราไปบมานานๆแล้วมันถูกทางไหมถูกทางไหมหรือไม่ถูกทางไหมเราสังเกตได้ว่าตรงเนี้ยเราไปบาดแล้วเราอยากเอาดีไหมนะตามใดที่เราจะเอาดีนะมันก็ไม่ดีหรอกแต่เมื่อใดที่เราปล่อยทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกทั้งผิดนั่นแหละตรงนี้น่ะเราจะรู้สึกมันเบานะมันจะตรงทางนะแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นหนทางแห่งพลานิพานที่ว่า เราสามารถไปได้ทุกคนนะเพราะเป็นการที่แล้วว่าเราแค่รู้ตามความเป็นจริง เ, เท่านั้นเองมันแคแค่สักแต่รู้สักแต่เห็นเท่านั้นเองนะไม่ได้ไปเอาอะไรนะการปฏิธรรมไม่ได้เอาอะไรแค่สักแต่รู้สักแต่เห็นเท่านั้นเองมันก็จะเกิดการปล่อยการวางในที่สุดนะเพราะว่าเมื่อเขาเห็นบ่อยเขารู้บ่อ ย, ลอยแล้วจิตจะเข้าใจเองแล้วเขาก็จะปล่อยจะวางเองเนาะในท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัฐนาบารมีคุณพระตน า, ายน้อม น, ำ, นำทุกท่าน จเจริญด้วยสีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วผ่านุกท่านเทิน